ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายรับผ้าที่เป็นอาการลจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทนรับว่าจริงพร ะ, พ, พ, ร ะ, ระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าทรงตาหนีว่า